ตอนที่25้าคุกเขา่าที่สะพายเห็นแล้วได้แต่สายหน้านางเดินเข้าไปดึงตัวเยี่เยอออกมาพลางตบหลังตบอกเพื่อช่วยให้นางสงบสติอารมณ์อย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยมีท่านหมอหลี่อยู่ท่านย่าจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนใช่ไหมท่านหมอหลี่ท่านหมอหลี่รีบพยักหน้าทันควันโชคดีที่พบเรีวหูหญินเท่าทานเข้าไปไม่มากนักไม่น่าจะมีอันตรายร้ายแรงพูดจบท่านหมอหลี่ก็รีบหยิบเข็มเงินออกมาคุณหนูโปรดวางใจข้าจะรีบผับ พ, พิษออกจากร่างกายของหูหญินเท่าเดี๋ยวนี้ ยี่วยาวสูดหายใจเข้าลึกๆพลางพยักหน้าพยายามข่มอารมณ์ของตนเองเอาไว้ที่สะพายประคองนางไว้ก่อนจะตะวัดสายตาไปค้นใส่หลินเซินจนเขาถึงกับสะดุง้งในเมื่อตอนนี้กระจ่างแล้วว่าปัญหาอยู่ที่อาหารยาของแม่นางชิงจือแล้วเหตุใดซื่อจือถึงยังตำหนิเยาเยๆอีกละ่ะเยาเๆเป็นห่วงท่านย่าสุดหัวใจนางทำผิดที่ตรงไหนกันซื่อจือช่างลำเอียงเกินไปจริงๆ คราวก่อนก็ทีหนึ่งแล้วคราวนี้ยังเป็นเช่นนี้อีกแล้วจะให้พวกระวังใจยกเย่อๆให้แต่งเข้าจวนสิ้นอองได้อย่างไรเย่หัวเองก็เอ่ยขึ้นเช่นกันแม่นางชิงจือเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้ตั้งใจแต่ความไม่ตั้งใจของเจ้ากลับเกือบจะทําร้ายท่านย่าของข้าถึงสองครั้งติดต่อกันเจ้าไม่รู้สึกจริงๆหรือว่าตัวเองมีปัญหาเสี่ยชิงจือลืมตาที่แดงก่ำขึ้นมาแต่กลับตอบไม่ได้ข้าเยี่หัวกล่าวต่อ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่ตั้งใจแต่กลับทำเรื่องเลวร้ายเจ้าคิดว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันคือเรื่องจริงแม่นางชิงจือข้าหวังว่าเจ้าจะกลับไปทบทวนให้ดีว่าเจ้ามีความผิดจริงหรือไม่คำพูดของเยี่ยหัวนั้นมีเหตุมีผลจนไม่มีใครกล้าโต้แยง้งแม้แต่หวังเฟยก็ยังถอนหายใจแม่ทับน้อยกล่าวด้ถูกต้องชิงจือนางช่างข า, าวบาปัญญาจริงๆที่ก่อเรื่องใหญ่ติดต่อกันเช่นนี้เห็นแก่ที่นางยิงเยาวและไม่รู้ความโปรดให้โอกาสนางอีกสักครั้งเถิด นางจะต้องจําบทเรียนทั้งสองครั้งนี้ไว้ให้ขึ้นใจแน่นอนเยี่เยาโกรธจัดหากนางจําบทเรียนได้แล้วจะมีครั้งที่สองนี้ได้อย่างไรหากคนที่ทําผิดทั้งสองครั้งนี้เป็นข้าหากข้าเป็นคนเกือบจะทําร้ายท่านอองหรือเกือบจะทําร้ายหวางเฟยดวงตาแดงก่ําของเย่เยากวาดมองใบหน้าของเซี่ยชิงจือและหวางเฟยก่อนจะประหยุดอยู่ที่ใบหน้าของหลินเซินพวกท่านจะยอมให้ข้าใช้คําว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนามาปัดความผิดให้พ้นตัว ง, ง่ายๆเช่นนี้และให้โอกาสข้าอีกครั้งหรือไม่ ชาติก่อนเพราะความตายของสิ้นอองทําให้นางต้องรับความอายุที่ทำอย่างถึงที่สุดทั้งหลิงเซินหวังเฟยเสียชิงจือไปจนถึงคนทั้งจวนอองเคยมีใครให้โอกาสนางบ้างไหมแต่พอเปลี่ยนเป็นเสียชิงจือที่เกือบจะทําร้ายท่านย่าซ้ําแล้วซ้าเล่าวพวกเขากลับเรียกร้องให้นางให้โอกาสเซียชิงจือครั้งแล้วครั้งเล่านี่มันตันกันที่ไหนกันทั้งหวางเฟยและหลิงเซินต่างพากันเยียบกริบเสียชิงจือปิดหน้าร้องให้อยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นนางก็คุกเข่าลงดังตุ๊บ เพียนางยกมือขึ้นตบหน้าตัวเองอย่างแรงหนึ่งฉาดนางกัดฟันแน่นน้ําตาไหลพรากพลางตะโกนเสียงดังขณะที่ยังคงตบหน้าตัวเองไม่หยุดข้าผิดเองเพียข้ามันขาวเบ า, บาปัญญาเพียข้าเป็นคนทํำร้ายฮูยินเท่าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าหวังดีแต่กลับทําเรื่องเลวร้ายข้าสมควรต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำเพีย ไม่ว่าพี่เย่ยจะลงโทษข้าอย่างไรเสียชิงจือผู้นี้ขอยอมรับทุกประการต่อให้ต้องส่งตัวข้าให้ทางการก็ตามเสียงตบหน้าดังเพี้ยเพี ย, พยอย่างต่อเนื่องเสียชิงจือลงมือกับตัวเองอย่างหนักหน่วงเพียงไม่นานแก้มทั้งสองข้างก็บวมเป่งขึ้นมาหวังเฟยเห็นแล้วรู้สึกปวดใจยิ่งนักแต่ก็ไม่กล้าปกป้องนางอีกทําได้เพียงหลั่งน้ําตาตามไปด้วยหลินเซินมีความคิดสับสนวุ่นวายใจหนึ่งก็ไม่สงสารแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อาจเข้าข้างเสียชิงจือได้ โดยเฉพาะเมื่อสบเข้ากับดวงตาที่แดงก่ำและงดงามของเยี่ยยาในใจของเขาก็เกิดความรู้สึกละอายขึ้นมาก่อนหน้านี้เขายังแปลกใจว่าเหตุใดเยี่ยยาถึงได้จงเปลิดจงชังเขานักแต่พอมาคิดดูตอนนี้ทุกอย่างก็กระจ่างแจ้งแล้วเป็นพระเขาที่คอยเข้าข้างและปกป้องเซียชิงจือโดยไม่รู้ตัวมาตลอดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วใครเล่าจะไม่มีความแค้นเครื่องอยู่ในใจบ้างบรรยากาศพันหยุดชะงักทุกคนต่างมองดูเซียชิงจือที่คุกเข่าตบหน้าตัวเองอยู่ตรงนั้น ถาว่าเย่ยเยาไม่หลงกลลูกไม้นี้ความอายุติธรรมและความทุกทรมานที่นางได้รับในชาติก่อนจะมาหักล้างด้วยการตบหน้าตัวเองเพียงเท่านี้ได้อย่างไรช่าง น, น่าขันสิ้นดีเสี่ยชิงจืออยากตบก็ตบไปสิยยเยี่เยาอยากจะรู้นักว่าความจริงใจในการยอมรับผิดครั้งนี้ของนางจะมีมากเพียงใดและหลิงเซินจะทนได้นานแค่ไหนก่อนจะกลับไปปกป้องนางอีกมุมปากของเสี่ยชิงจือแต่จะเลือดไหลหวางเฟยปวดใจเหลือเกินจึงส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปทางหลิงเซิน ลิ้นเซินสูดหายใจเข้าลึกๆสบัดชายเสื้อคลุมแล้วคุกเข่าลงทั้งสองข้างเยี่ยเาตกตะลึงคนตระกูลเยี่ยต่างตั้งตัวไม่ติดใบหน้าเริ่มปรากฏความกังวลออกมาอย่างไรเสียลิ้นเซินก็มีเชื้อสายราชวงศ์เป็นโอรสของเชื้อพระวงต่อให้จวนกัวกงจะสูงสักเพียงใดแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพวกเขาก็ยังเป็นขุนนางกับเจ้านายการที่เขาคุกเข่าเช่นนี้มันช่างหนักหนานัก เซี่ยชิงจือเองก็ตกใจจนชะงักไปลืมแม้กระทั่งจะตกหน้าตัวเองต่อส่วนหวางเฟยยิ่งถลันเข้าไปหาเขาพางร้องให้โฮเซินเ อ, อ๋อเจ้าทําอะไรของเจ้านะ่ะเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์จะคุกเข่าให้ขุนนางได้อย่างไรหลินเซินค่อยๆหลับตาลงพลางผลักหวางเฟย อ, ออกไปอย่างแน่วแน่และสุ ข, ขุมสเสด็จแม่ทรงตรัสผิดแล้วจนกัวกงเป็นขุนนางสําคัญของแผ่นดินมาถึงสมชั่วอายุคนสร้างผลงานการศึกให้ราชสำนักอย่างใหญ่หลวงสําหรับลูกแล้วพวกเขายังเป็นผู้อาวุโสด้วย โอรสวร์ผิดย่อมต้องรับโทษเช่นเดียวกับสามัญชนข้าในฐานะซื่อจื่อแห่งจวนอองยิ่งควรทําตัวเป็นแบบอย่างการคุกเข่านี้สมควรแล้วเขามองไปที่เยี่ยยาชิงจือนางทําผิดจริงและยังผิดซ้ําแล้วซ้าแล้วข้าเองก็เข้าข้างนางครั้งแล้วครั้งเล่าจนละเลยความรู้สึกของเจ้าข้าเองก็มีความผิดวันนี้ต่อให้ข้าเป็นราชทายาทข้าก็ต้องยอมรับผิดคําพูดนี้ทําให้หวังเฟยใจกระตุกกรูเจ้าพูดจะเหลวไหลอะไรกัน หากมีคนที่มีเจตนาร้ายได้ยินเข้าแล้วนำไปทูลฟ้องต่อหน้าสบัดจนสิ้นอองคงไม่พ้นต้องถูกระแวงและกดดันเย่ยวเยาเบือนหน้าหนีไม่มองเขาฝ่ามือที่เพิ่งจะหายดีกำลังจะถูกเลิกจิกจนหนังทะลอออีกครั้งลินเซินเอ่ยขัดคำพูดของหวังเฟย อ, อีกครั้งสเสด็จแม่ท่านอย่าได้ยุ่งเลยหวังเฟยถึงกับพูดไม่ออกนางมองดูลูกชายของตนกับเซี่ยชิงจือในใจรู้สึกรุ่มร้อนราวกับถูกน้ำมันลวกลินเซินมองไปที่เย่เยาอีกครั้งแต่กลับเห็นเพียงเสื้อหน้าด้านข้างของนางเท่านั้น เป็นข้าเองจริงๆที่เข้าไปขัดขวางเรื่องของเจ้ากับชูฉือเย่ออูเสียสองพ่อลูกมองหน้ากันอีกครั้งพ่อเย่อกับชูฉือไปรักกันตอนไหนลูกข้าจะไปรู้ได้อย่างไรพ่อแล้วเหตุใดซื่อจืดถึงเข้าไปยุ่งด้วยล่ะลูกสติแตกเศร้าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรเล่าลินเซินกล่าวต่อข้าเองก็ทําร้ายเจ้าไปมากมายโดยไม่รู้ตัวจริงๆเจ้าพูดถูกข้าเข้าข้างชิงจือมาตลอด ซึ่งนั่นเป็นการไม่ยุติธรรมต่อเจ้าอย่างยิ่งข้าหลิงเซินขอสาบานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเยี่ยเยาหันขอบกลับมาขัดจังหวะเขาทันทีหยุดพูดเถิดหลินเซินทุกคนเยี่ยเยาหลับตานั่นพยายามข่มสัญชาตญาณที่อยากจะเตะเขาออกไปให้พ้นทางทุกคนต่างคิดว่าสิ่งที่นางต้องการคือคําขอโทษและความเป็นธําจากหลิงเซินแต่หลังจากผ่านชาติที่แล้วมาหลินเซินสาหรับนางไม่ใช่คู่ครองที่ดีอีกต่อไปแล้ว นางจะเอาคำขอโทษหรือความเป็นธรรมจากเขาไปทำไมมันจะมีประโยชน์อะไรแม้เพียงนิดไหมไม่มีเลยนางในฐานะบุตรสาวสายตรงของจวนกัวกรมยอดหญิงอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงมีผู้คนมากมายที่พร้อมจะทำดีกับนางและประคองนางไว้ในอุ้งมือนางไม่ได้ขาดแคลนความเป็นธรรมที่หลิงเซินหยิบยื่นให้ยี่เยาเพียงต้องการอยู่ให้ไกลาจากเขานางต้องการเพียงถอนมั่นกับเขาและไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเขาอีกนับจากนี้ หากไม่มีหลินเซินนางย่อมมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้นางไม่ต้องการเขาดังนั้นนางจะไม่ต้องการให้เขามาสาบานฟ้าดินรับประกันอะไรทั้งนั้น